ม่ค่อยอ่านคำภีร์ <c oughs> ฉันอ่านคำภีร์ในตัวนี้เลยยกออกมาจากตัวนี้เป็นคำภีร์พระพุทธเจ้าจัดทะูุในคำภีร์นี้คำภีร์นี้คือคำภีร์อริยสัจทุกข์ก็มีอยู่ที่นี่ไม่ว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจสมุทยัยคือกิเลสประเภทต่างๆ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 มีความภาพเพียนเด็ดเดี่ยวแก้วกล้าสามารถพดจนถึงเวลาถึงหกปีจึงได้ตรัสสรูท้ทมตรัสสรู้ก็คือความรู้แจ้งทั้งทุกทั้งสมูทยัยทั้งมรรคทั้งนิโรระจับใจนั่นแหละเรียกว่าตรัสสรู้เมื่อการจรัสสรู้ปรากฏขึ้น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 แม่ก็เลยทดลองลงไปดูดก่อนให้ลูกอยู่ทางฝั่งนี้พอไปถึงกลางแม่น้ําก็มีเหยื่ยวมันบินโฉบลงมามันจะเอาเด็กเหี่ยวน่าจะคงเป็นเหยื่อนกอินงซีอะไรก็ไม่รู้แหละมันถึงจะเอาเด็กทั้งคนแล้วก็ลูกชายก็ยืนอยู่ที่นั่นพอมองเห็นเหยื่ยวแม่มองกลับไปทางลูกมองเห็นเหี่ยวกําลังบินโฉบลงมา ก็เลยโบกไม้บอกมือบอกไล่ยเหย่่ยวนะทนี้ลูกชายเข้าใจว่าแม่โบกมือให้ให้ลงน้ำแล้วฟังว่าลูกเด็กคนนั้นเหยื่ยวเอาไปกินด้วยนะเฉยลงมาเอาลูกไปกินแล้วแม่ก็บอกไม้โบกมือด้วยลูกคนหัวปีนั่นนึกว่า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 จิตก็พอยับยั้งตัวได้เมื่อมีสิ่งบังคับคือสติหรือกำหนดทำบทใดบทหนึ่งเข้าแทนที่กับอารมณ์ที่เคยคิดอันไม่ดีนั่นเสียมันจะคิดไปมากเพียงไรก็ให้ตั้งสติกำกับบังคับไว้กับคำบริกรรมนั้นเพียงอันเดียวคำเดียวเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้องที่ตัวกังงับบลงได้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 จะเรียกาอาการลิกิตอาการลิกธรรมได้ทั้งนั้นเป็นธรรมชาติที่พอตัวเสมอคำว่าเสมอนี่เราก็จะคาดว่าเสมออย่างไรก็ยังต้องผิดหากว่าไม่นำคำนี้มาพูดก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเทียบเคียมถึงจะพอเข้าใจกันว่านิานศูนย์อยันนี้ก็เหมือนกันมันผิดกันมากกับความศูนย์ของโลกที่สมมติที่เข้าใจกันมันเป็นโคณาโลกเลย ทีนี้เราเคยจากความสูนของโลกจนฝังใจเพรากล่าวถึงเรื่องนิพพานสูนเท่านั้นเราจะเข้าใจว่านิพพานนี่เป็นสิ่งที่หายโล่จงจมไปเช่นเดียวกับสิ่งที่สูนไปเหล่านั้นอันเป็นส่วนมมงิดนี้มันก็ผิด ก, กันอีกคนละโลกเนี่ยสิ่งที่รับรองความสูนของพระนิพพานว่าสูนอย่างไรนั้นก็คือนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่น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 ทำท่านว่าทาวิโตพระุรีกัโตทำให้มากเรินให้มากท่านว่ะมากเกิน ถ, ถึงความพอแล้วมันก็เป็นไปเองความค่องแค่วว่องไวมันเป็นไปเองเมื่อแล้วจะว่าเราการว่าเราสร้างบา ร, รมีมันก็ถูกที่เราทำความดีทั้งหลายเนี่ย